นาอะไรรู้เปล่ามาหนมาที่มาสยิดนอกจากเรากลัวโควิดก็อันนี้ก็ต้องขอร้องต่อร้อนแล้วครับข้อที่สี่ให้บริจาคสม่ำเสมอข้อที่ห้าให้อ่านอัลกุรอานให้รู้ความพร้อมรู้ความหมายมีความดีทั้งหมดเลยนะข้อที่หกอย่าขาดนมาข้อที่เจ็ดใ ห, นนห้ดูขึ้นหนามาแต่หัดยุทธข้อที่แปดให้ให้อภัยคนวันเยอะ ยิงภรรยานี่วันละกี่ครั้งนบีเตือนเจ็ดสิบครั้งแล้วก็อาบน้ําน้มาต้องนึกอย่าเปิดน้ําแรงต้องใช้น้ำในน้อยจะเป็นที่บ้านท่านก็เหมือนกันหรือจะมามสัสยิดหรือจะอยู่ชายทะเลชายแม่น้ำก็าตามนึกสุนัขนบีใช้น้า น, น, าา น, น้อยแล้วก็สามีภรรยาต้องเอาใจนี่เป็นมารยาของมุสลิมทุกคน เรื่องหัวใจอีกอหัวใจต้องนุ่มนิ่มนวลหัวใจต้องกลัวอัลลอ์ต้องตอบบาตัวต่อลฮต้องนึกตลอดเวลาฉันทำอะไรผิดอยากแช่ความผิดเอาไว้ให้รีบตอบบาตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์วันนี้ทั้งหมนนี้สรุปเอาสั้นๆก่อนเพราะเวลาจำกัดขอบคุณอัลลอ์วันนี้เรามาถึงสุรอะอูมาห์ห้าอายะสุดท้ายของซูมาซุมาดีแปลว่าอะไรนะ แปลว่ามู่ชนหรือว่ากลุ่มชนหรือกลุ่มคนท่นมีอยู่สองกลุ่มในโลกอะตอมน่ะพอเราตัดเสียแล้วน่ะกลุ่มไปนรกกับกลุ่มไปสวรรค์เท่านั้นแหละส่วนคนมุนินก็มีอยู่หลายระดับระดับ a b c d นะกาเฟตเป็ไนไงกันกาเฟตแบบเนี้อะไรที่ตายมอาทิตย์แล้วเนี่ยชื่ออะไรนะอย่าไปเอ่ยชื่อดีกว่านะ ที่วาดการ์ตูนล้ลอการ์ตูนหน้านบีเนี่ยนะอัลลอฮฺตวิงเวลาให้นะสิบกว่าปีนะแทนที่จะสำนึกตัวสารภาพผิดกับอัลลอฮฺก็ได้ไ ป, ปสวรรค์นะแต่ทรยศทนงตนต่ออัลลอฮฺไฟคลอกตายค่ะถึงบางนตามข่าวอยู่แล้วเนะี่ยบอเอามัเล่าเล็กน้อยรถ ชนกันแล้วมีบอดิกาถึสงสองคนมาเป็นตำรวจนะตายหมดเลยทั้งสาคนนั่นแหละใี่เป็นข้อเตือนใจไม่ได้บังคับใครให้รักอิสลามใครไม่เชื่อก็เชิญแต่อลัลลอเลี้ยงไหมเลี้ยงเอาเงินเดือนไปเอาเงินไปเอาภรรยาไปเอารถไปเอาบอดิกาไปเอาไปเลยถึงเวลาอลอจะเอาเรียบร้อยไหม ทำยกนี้เปความเตือนใจพี่น้องไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาระับนะเอาวันนี้มาอายาที่เจ็สเอดว่าสิคนละนีนะกฟารูอิละจันนมะซมารอฮัตตาอิลาจาอูอ فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها adam ياتكم رسول منكم أَيَاتِ رَبِّكُمْ َ ي ُ ن ذ زِرُونَكُمْ ل ِ ق َ ا ء َ ي َ و ْ م ِ ك ُ م ْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّكَ ل ِ م َ ا تُلْعَبَ ب ِ ع َ ل َ الْكَافِرِينَ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 يا س ل و َ ن ا لكم آ ي ا ت ِ ربكم و y a r ر و ن َ ك م لقو ي و م ك م هذا قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين نعوذ بالله ทำไมการคำนี้พอความคุคมของจอาล็อกนี่กลุ่มนี้กลุ่มกาเฟตที่กำลังงานอยู่เนี่ยกลุ่มที่ไม่เอาอิสลามกลุ่มที่ต่อต้านอิสลามไม่เอาเนี่ยอลัลลอฮ์ยังพ อ, ย, งพอยังพอไม่ตานะแต่ด่าอิสลามอีกโอ้โหอันนี้หนักมากครับเอามาดูสับกับ ซีก็เนี่ยแปลว่าถูกตน้นสับคำเป็ภาษาคนอ่านมันทอแต่ภาษ า, ภาไทยมันแรงซีก็แปลว่าถูกตน้นอัลลอฮฺนกะฟารูบันดาผู้ที่ปฏิเสธเห็นยังครับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอะไรครับปฏิเสธอัลลอฮฺปฏิเสธสุนนะนบีปฏิเสธวันอาค h i ะ a h ไม่เชื่อว่าตายล้วฟื้นไม่เชื่อว่านาบีมุ hammad ไม่เชื่อโอ้ไม่เชื่อกุ๊งองกุรานทั้งหมดเนี่ยกระดกกระฟารูหเลยมีหลายระดับระดับฟาโรมีระดับรูสมารุสตีมีระดับทิฏวะวดราชว่ดการ์ตูนด่า น, นาบีมีระดับหลายหลายระดับแต่ก็กรรูนก็นกนระดับหนึ่งนะมั้ยส่วนที่เรานี่ระดับโอ้โหนั้นบิ๊กเลยนะครับ เัลเราเก็บศพเอาไว้ h, นะนั่นให้ดูเป็นตัวอย่างา่านี่แหละเป็นคนที่ทรยศที่สุดในโลกประกาศตัวว่าอนารบบุกม um ุลอาแลฉันเป็นพระผู้อธิบาลของพวกท่านในอียิปต์นะในวันนูนะ้นนะครับว่ซีกน ล, ละวินาคฟรูและบรรดาผู้ปฏิเสธจะถูกต้อนอ๋อ อีละจะหันนำสู่ไหนครับนรกจะหันนำเท่านารกนะที่พูดตามศัพท์นั้นจะหันนำเนี่ยนำเบานะนรกเบามากแต่เบาในขนาดไหนรู้เป่าเอาเหินสองก้อนวางที่เท้าที่อุ้มเท้านะเดือดที่ที่สมองนี่จะหันนำอุลมะก็อธิบายอย่าไปตกเลยพี่น้อง โอกาสจะไปสวร์มีไหมมีแต่เราไม่ไม่นึกไงพอดได้เงินมาได้ทองได้ชื่อเสียงได้ตำแหน่งได้นู้นได้นี้ฉันไม่เอาวันละ ก, ก็ได้ก็ไม่ว่ากันก็ว่าไปเชิญเอาเ่อเลี้ยงไหมเลี้ยงฮ <laughs> ัตตาอิลจาอุฮาฮัตตาว่าจนกระทั่งคือต้อนมานะต้อนคนกาเฟ จนกระทั่งอิซาจาอูฮาเมื่ออิซาแเมื่อจาอูฮาพวกเขาได้มาถึงต้อนคนกาเฟสมาพี่น้องก็นึกนึกภาพต้อนันแล้วกันเราเคยต้อนอะไรต้อนแพ้ต้อนแก่ต้อนไก่ต้อนอวัวต้อนควายใช่ก็คงจะพอๆกัน <c oughs> นั่นละเนาสิเมื่อ <c oughs> <c oughs> พวกเขาได้มาถึงมาถึงนรกซูมารอนเปนอะไรนะักเป็นหมู่มูไม่ใช่มาคนเดียวนะเป็นเจมาเลยแสดงว่าเยอะมากเลยนะแต่แต่ยุคนบีอาดามเรื่อยมายุคนบีอิบราฮีมยุคนบียูซุฟนบีนวัวโอ้โหตอนอลัลลอ์ไม่แคร์นะเองจะเป็นตำแหน่งอะไรของโลกก็ตามเถอะฉันไม่แคร์ ถ้าไม่ให้เกียรติ Allah, รรอลัลลอฮ์ไม่ให้เกียรตินบีเจ้าของโลกนี่นะไม่ให้นบีไม่ให้เกียรตินบีคนสุดท้ายนี่นะเองเจอหมดเ ล, ล้วฮัทเตอีลาจาวฮ์จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงฟูติฮัแตแปลว่าถูกเปิดอับบาบูฮ์บั ประตูหลายบานของนรกถูกเปิดแสดงว่าประตูนรกในปิดเอาไว้นะไม่ได้เปิดเอาไว้หรอกปิดเวลาคนที่จะเข้านรกถูกต้อนมานี่นะให้มันยืนหน้าประตูนรกสักระยะหนึ่งเป็นการอีหานะเป็นการดูถูกเหยียดหยามนี่อลัลลอฮ์เล่าเอง ย่างเราไปจะไปบ้านเราเนี่ยเข้าประตูเข้าบ้านไม่ได้นะรอห้านาทีนี่มุดหงิดเหมือนกันนะจะไปไหนมาไหนเข้าจะเข้าสูนเราเนี่ยร อ, อไปประตูไม่ยอมเปิดจะมานะมาดเนี่ยอึดอัดนะนี่ก็เหมือนกันครับเมื่อถูกต้อนมาแล้วมาถึงปากประตูนรกแล้วประตูนรกยังไม่เปิดนะฟุติฮัดมาเปิดที่หลัง สังเกตนะมันมีวาวกับไม่มีวาวอ่าอาย า, าที่อายาต่อไปนี่นะมีวาวแต่อายาหนี้วาวไม่มีว่าฟูติหัตกับฟูติหัตมีความมีวาวกับไม่มีวาวมันต่างกันถ้ามีวาวแสดงว่าถูกเปิดต้อนรับเอาไว้แล้วแต่ถ้าวาวไม่มีเปิดที่หลัง ฟูติฮัดอบวาบฮาประตูเปิดแต่ยังเข้าไม่ได้นะวะกอลาลาฮุมขอจานาตุฮาขอานาตุฮาแปลว่าผู้เฝ้าประตูนรกมาถึงมาไหลกลางที่ยืนเฝ้าประตูนรกอยู่นะถามกอลาได้คุยได้ถามได้พูดกับคนชาว นรกคนกาเฟททั้งหมดที่ยืนอยู่ปากประตูนรกรอจะเข้านี่นะเขาถามว่าไงรู้ไหมอลัมยตีกุมรุซูลุ ม, มิงกุมไม่มีบรรดารอซูลมาหาพวกคุณรึหน้าแตกไหม <c oughs> นี่ที่มายืนจะเข้านรกนี่ความจริงไม่ต้องเข้าก็ได้เลยถามบอกว่าไม่มี รอซูลที่เป็นยมาม่านะครับคุณพจน์นะไม่มีบรรดารอซูลมาหาพวกคุณหรือนี่ไง น, นบีมุฮัมมัดเนี่ยนบีอิบรอฮิมนบียูซุปนบีมูซาอิสามาปล่าส่งมาแล้วใช่หรือไม่ใช่เราได้ยินข้าหูใช่มากอ่นานบีอีสาก็มาแล้วแต่ดันเป็นพระเจ้าไปแล้วใช่ไหมอะไรกันล่ะเนี่ย ประกาศนบีอิสสะกล่าวทำไมเราบป็นคนอัลลอฮ์สรงนบีอิสามามาสอนอิสลามให้กับพู้คนอย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ดันไปเคารพนบีอิสสะเสยเองเลยอย่างเงี้ยนีคุณอ่านเตือนนะไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาเชิญตามสบายนะครับอันที่สองถามอีกยัติูนอะไรกุม่มรอซูลนี่มามาอธิบาย มาสาธยายนะครับให้กับผู้ท่านเรื่องที่สามอายาตุร บ, บิกุมองค์การต่างๆของพระผู้อภิบาลเนี่ยเขาเอามาสอนพวกคุณหรือยังโอโ้โหถามอยู่หน้านะรกยังไม่ได้เข้านะประตูยังปิดอยู่นะเราตอบเราเราคำถามนี้มีไหมไม่มีครับ พะเราอีมานต่อรสูนทั้งหมดแล้วเราอ่านคัมภีร์กุลอ่านนี่ตัวนี้เราปลอดภัยครับวายุจิรุนากุมลีกอายามิคุมฮะจายุนจิรุนว่าพวกขาวได้มาเตือนสู่เจ้ามาถึงบรรดาราสูนที่มาเนี่ยมาเตือนพวกคุณนะเตือนหมายถึงให้ออกห่างอ่ะนะ ลีโกอการพบการเจอยาวมีกุมหะาาวันนี้วันนี้จะต้องเข้าในะรบถูกต้อนนะเี่ยนบีไม่ได้มาสอนพวกคุณหรือบรรดาเหลาศูนในโลกนี้ไม่ได้มาสอนพวกคุณหรือไม่ได้พาองค์การอายะกุรอ่านหรือคัมภีร์ตอร์ลระบุนอินเดียมาสอนพวกคุณหรือทำไมที่พุ่มฟังเจอ ตะกิบเน็กตะกิบเนกเนีย่ยคุณเดี๋ยคนฟังเยอะรับาลอินเดียม่ให้สอนแล้วพราะคนฮินดูเปลี่ยนดินมุสลิมเนี่ยเยอะเพราะพวกคุณเนี่ยอ่านคัมภีร์ของคุณไม่เข้าใจแล้วก็เวลาอ่านคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยถ้าอ่านนะถ้าไปถามบาทหลวง ในโบสนะมันจะอธิบายอีย่างอ่านเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วก็ไปถามบาตรหลวงมันจะแปลว่าให้บาตหลวงเนี่ยมันทําให้คนไปเคารพในบีอีซาแทน่แต่เดีเคารพอัลลอฮ์นะเนี่ยการอธิบายคำพีที่ผ่านมาเนี่ยเราดีเราทำดีแ ล, ล, ล, ล้วนะบีมอมัดอธิบายคุรานไปชัดถ้อยชัดคําเลยปลอดภัยจากการเชืิอต่ออัลลอฮ์สุภาอูบะจ่างไถามสามสีประเด็น ก็รูคนชาวนรกก่อนเข้านะพูดประการดูไหมบามีแน่นอนรอซูลส่งมาแล้วแน่นอนคําพีมีมาแล้วแน่นอนยอมรับถ้ายอมรับในวันนี้ดีหรือไม่ดีถ้ายอมรับในวันนี้น ว, นนว่ามีรอซูลมาจะได้กลับกับปรับปรุงตัวเองใช่ไหมล่ะการรู้มาลูซดี้เนี่ยสามสิบปีแล้วนะ หลบก็ไปหลกก็กกมาเนี่ยใครปกครองรัฐบาลอังกฤษคุมครองสังเกตนะใครที่ด่าอิสลามที่ต่อต้านอิสลามที่ด่านู้นด่านี่นะจะมีคนมาคุ้มครองนะอา้าวเราส่งมานะเองอยู่ไปแต่คุมครองไอ้คนที่ว่ารุมดบีแค่สิบปีนะแต่กุสมารุซดีเนี่ย ส, สิปีแล้วนะยังไม่ตายนะเอา้า ผมว่าขอไ ป, ปอีกยี่สิบปีล้วรอดไหมไม่รอดครับฉะนั้นร อ, อเล่นงานวันบายวันทีละคนละคนละคนอาสาหมูไม่มาครับอาสาเป็นจะมาตาทีละแสนคนอย่ามาสมัยฟาโรไม่มาแล้วครับกันนี้ตาทีละคนละวันบายวันอ่ะอยู่กันต่อไป กูอ่านเอาล้อเล่าให้ฟังไม่เชื่อก่อน ไ, ได้ไม่ได้บังคับใครให้เชื่อกูอ่านใ้เชื่ออัหรอกเชื่อตามสบายว่ากินฮักกัสกาลิมาตุลอดาดับแต่ลากินแต่ฮักก็สมจริงแล้วกาลิมาตุลอาดาบประกาศสิทธิแห่งการลงโทษหรือว่าถ้อยคำที่เอาล้อกำหนดไว้ คนที่ปฏิเสธอิสลามถูกลงโทษหมดเล่าแล้วเล่าผ่านคัมภีรต่างๆทั้งหมดเลยตั้งแต่สมัยนบีอาดามเรื่อยมาใช่ไหมนบีม uh ุฮัมมัดเนี่สมนบีมามาสอนเรื่องนี้ว่าย่าชีริกต่ออัลลอฮ์อย่าตั้งพาคีกับอัลลอฮ์ให้ยึดอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ยึดผู้ น, นาํานบีแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคแล้ว ค, ค, ค, คุณจะปลอดภัย ใครที่ขวางการลีมาตูนอาจาการลงโทษนะครับการตัดสินการลงโทษนั้นเป็นเรื่องจริงฮับก็สิพี่น้องจำศักย์สักคำสองคำก็ได้ฮับกต็ตวจริงครั บ, บ, ก, รรบการลีมาตุนอาดาแต่ว่าอะไรนะการการลงโทษเป็นเรื่องจริงครับกับใคร อาญากาฟีน ก, ผ <c oughs> กนะัผู้ที่คาเฟ่อะไรนะผู้ที่พระยศต่อ a, a, a l ล a h a l l a อัลลอฮฺนะอัลลอฮฺอเมนซาลิกลงโทษมีไหมมีครับแต่บนดุนยานี่ยล l l a h ให้เอาไปเลยตำแหน่งนน้นตำแหน่งนี้เอาเงินเอาทองเอาบ้านไปเอาที่ดินไปเอาไปเลยใช่ไหมมีรถมีเมียเอ า, เอา เ, อาเอาเชิญตามสบาย แล้วก็เพลนใช่มหมครับดุนยาพอความตายมาถึงก็หอยเท่านั้นแหละอา ย, ยุเอลาล่ะจะขอกลับมามีชีวิตมาแก้ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งมรดกาถามว่าอ้าก็เพิ่ออกมาจากดุนยาไม่ใช่เหรอแล้วขอกลับไปอีกทําไมอ่ะเพิ่งรู้ว่าอยู่บนดุนยาต้องมาทํางานศาสนาอย่างเดียวถ้าได้ไปหลมกับเงินหลมกับตําแหน่งชื่อ เงินน่ะหาได้นะ้ะได้ไม่มีปัญหาแต่ยาย่อหลงมันสิเอามาเป็นเครื่องมือปัจจัยยังชี้จะเป็นริสกีจะรอให้มาถ้าอย่างนี้อยู่สบายสบายไม่มีปัญหานะครับตัวลงนรกมีจริงไหมนี่แล้วก็คนที่ปฏิเสธอิสลามทั้งหมดนี่นะถูกต้อนลงนรกนะพอมาถึงปากประตูนรกประตูเปิดอย่างยังครับถามก่อนน่าแตกนะ อาตอมากับอายะที 3, uh, say, ่เทวรายเกตสิบสองคีลดะฮูลูอบวาบาจฮันนัมขอลีดีนฟีฮะฟาบิซมัสวัมุตะกับบิรินคีลดะฮูลูอบวาบาจฮันนัมขอลีดีนฟีฮะ บาบิซมัสวลมุตกับบิรีินพอมาถึงประตูนรกพับประตูเพิ่งเพิ่งเปิดหลังจากถามนะแล้วก็มีเสียงพูดว่าอุดคุลูจงเข้าไม่จะเชิญเข้าวะรมึงเข้าไปพูดภาษาเรานะนะอุดคุลูจงเข้าไปอาบวาบาจฮานัง ประตูทั้งหลายของนรกอบว่าบาบุนบาบ้าเนี่ยอบวาประตูนรกมีเท่าไรรือเปล่าที่บ้านเ <c oughs> จด็ดเจ็ดบ้านแล้วก็ บ, บ้านหนึ่งนี่กว้างนะโอ้เอานอุบิลลาเนซาริกคอลีดีนาฟีฮานี่เขาไล่แล้วนะไล่เข้าอ่าแล้วก็พูดล่ไงนะ ขอลิดีนอฟิฮาจงเป็นผู้พำนักคอลิดีนเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้น <laughs> นี่เป็นที่อยู่ของเอง อ, อยู่บนดุนยาดา น, าดนาบีดาอลัลกรุรอานดามุฮัมมัดดาอิสลามดาอัลลอฮ์าดาโรสูลเ ข, ข็นค่าพี่น้องมุสลิมโอ้สารพัดทำทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่เคยสำนักตัวเลยวา่าทำผิดนะ ปาเลสไตนะ์นกับอิสราเอลปัจจุบนันนี้สังเกตุยังปาเลสไตน์เจ้าของที่นะอิสราเอลมายึดที่เขาหาว่าเขาไม่ผูกก่อการร้ายดูสิอภินางคิดเองก็แล้วกันนะเพราะสื่อแต่แทๆนะสื่อส่อสื่อ อ, อ, อ, อมไม่ไม้ไรฟีฮาคอรีดีนะฟีฮาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นฟา บ, บิซาชั่วช้าแท้ บิซาแปลว่าชั่วชาแก่แท้มัสราแปลว่าที่ผำนักอัลมุตกาบิรินผู้ที่เยอะยิงจองของอ่าเนี่ยอัลลอฮ์เรียกภาษาใหม่แล้วคนที่เข้านรกเพราะเป็นกุฟรุนเป็นกาเฟตเป็นเป็นมุสริกเพราะปฏิเสธอัลลอฮ์ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ แต่วักนี้อัลลอ์ใช้ภาษาใหม่มุตกระบิรคนที่เย่อหยิ่งอวดดีโอหังกับอัลลอ์สภาโนะต่างอัลลอ์ไม่พอใจเห็นไหมมุตกรบิร์อธิบายอย่างนี้คนที่มีความจริงมาแล้วแต่ฉันไม่เชื่อว่านั่นมาจากอัลลอ์พูดว่ามุมัดแต่งเองบ้างอ่ามุมัดเขียนคำเพียงมุมัดสอนเองทั้งหมดเนี่ย ดามมัดนะแล้วก็พอผลสุท้าแเลยแบบกับตกนรกอัลลอ์เรียกคนเหล่านี้ว่าอัลมุตะกรมบรินเป็นผู้ที่เย่อหยิ่งจองของอวดดีขณะที่อยู่บนโลกดุ ญ, ญิยาใบนี้ภาษาอุดูเขียนดีนะวาฮีเซอิงกาคนมุตะกัเบรินก็คือคนที่ปฏิเสธความรู้ที่ผ่านวาฮี อย่างเราเนี่ยอ่านกุรานในความรู้ผ่านวาฮีใช่ไหมทุกอายะห์ถูกต้องเลยแต่คนที่ปฏิเสธคุรานความรู้ที่ผ่านวาฮีที่ผ่านนบีผ่านยิบรีมผ่านอัลลอ์เนี่ยนะปฏิเสธไม่เอานะนี่แหละถูกถูกแบบนี้อาต่อมาอายะห์ที่73วดสบสามซีคนละรนัลนัตตการบบะฮุม إلال ج ن ا ِ ز ُ م َ ر َ حتى إ ذ َ ا ج َ و ه َ ا و َ ف ُ ت ِ ح َ ت ْ آ م ِ ي َ ا ؤ ن َ ا و َ ف ُ ت ِ ح َ ت ْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ط ِ ب َ ت ُ م ْ ف َ د ْ خ ُ ل ُ و ه َ ا خَالِدِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبَقَ جَائِكَ وَسِقَ ي الَّذِينَ ا ت َّ ق َ و ّْ ر َ ب َّ ه ُ م ْ إلَى ِ ا ل ْ ج َ ن َّ ة ِ ز ل ُْ م َ ر َ ا حَتَّى إ ِ ذ َ ا ج َ ا ء ُ و ه َ ا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ا سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين الحمد لله الحمد لله โอ้ภาษาต่างกันเยอะพี่น้องอายะที่ผ่านมาเนี่ยพูดถามมาไม่มีรสนะฮะพวกเองเหรอ ไม่มีคุณอ่านไม่มีคำพีมหาภูคุณเลยนะเอามาดูดิอลัลลอฮ์ให้มาเลยกาพูดยังไงว่ซีกอกแล้ว่าถูกนำและบันดาอัลลอฮินบันดาผู้ที่อิตตะกาอ่าอิตตะกาวนี่แปล ว, ว่าตะควาและบันดาผู้ที่สำรวมตนจากความชั่วอัลลอฮฺอัลาบาต ต่พอพระภูอภิบาลของพวกเขาทั้งหลายนั้นถูกนามาสู่อิรนยนนะสูไ่ไรสู่สวรรค์ซูมารอเป็นอะไรเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นหมู่นี่ไงชื่อของสุ ร, รนี้แหละอาซูมาตเนี่ยเจอแล้วดูเถอะเราตั้งชื่อเอาศัพท์ในกูน่าในสวรรค์น่ะตั้งชื่ อ, อ, ส, อสุ ร, รน์อาซูมัตเพื่ อ, รรอรเราต้องนึก โอ้โหสุมแต่ว่ามูคณะไปหนานไปสวรรค์เป็นห ม, ม, มูก็ใช้ศัพ์เหมือนกันนี่นะซีก็เหมือนกันซีก็ถ้าแปลผลกาเฟก็ถูกต้อนถ้าแปลกับผู้ศรัทธาตอลอถูกนํำอ่าอย่าลืมว่านะคนมุมิมถูกนำไปสู่สวรรค์เนี่ยต้อนรับเหมือนแขกพิเศษ ขอรัฐบาลตอนหน้าตอนหลังอัลลอ์มีพรมแดงปูให้สารพัด ส, สวยลามดุลิลาฮัตตาอิลาจาูฮาจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงมาถึงสวรรค์ครับว่าฟุติฮัตมีวาวกับไม่มีว้าวอธิบายแล้วไม่เหมือนกัน ถ้ามีวาวเขาจะว่าประตูสวรรค์ถูกเปิดต้อนรับไว้แล้วไม่ต้องไปยืน <c oughs> น, น, นี่นี่ปล่อยตัวทาไมอย่างงี้เห็นหมาหนาะอันนี้ไม่ไม่ต้องรำไม่ต้องถามอะไรแล้วม่ต้องถามมาเลยประตูสวรรค์ถูกต้นครับทีนี้ประตูสวรรค์นี่นะในฮัดดิตอธิบายอย่างงี้มันมีประตูบาบุรรอยาน ประตูของคนที่ถือศีลอดชื่อวรอ ย, ยานั่นคนที่ถือบวชเข้าประตูบานนี้คนที่นมาเก่งเข้าประตูบานนี้คนที่บริจาคเก่งๆเข้าประตูบานนี้คนที่จิฮาสมาถึงเสียสละชีวิตของเขาเงินของเขาทำต่างก็รับเข้าประตูบานนี้เลือกเขา้ารวมไปถึงภรรยานะ่ยทิ่ที่นมาหาเวลาถือบวชในเดืดอนมกราคม แล้วก็เชื่อฟังสามีอลอนลนะเพราะเลือกเข้าประตูสวรรค์บ้านไหนก็ได้เชิญตามสบายเลยเห็นยังครับจะมีประตูชื่อแต่รอยยานี่จะเฉพาะคนที่ถือศีลอดใช่ไมช้าวางานบวชในางานใหญ่นะงานหนักนะบางคนนะบวชเพื่อให้หุนดีอย่าเป็นนึกแบบนั้นฉันบวชเพื่ออะไรเพราะว่าบวชสาวภาษามันออนไป เขาบอกฟาสติโอ้ภาษาในชั้นหนึ่งอลัลลอ์ซยามน่ะมันดีอยู่แล้วแต่ให้เกียรติฟาสติ้อภาษาว่าเป็นคนทันสมัยนะคุณจะได้สวยเพราะฟาสติ n g นึกถึงอลัลลอก์ดีกว่านึกถึงรสูนดีกว่าถือบัวเธอวันจันทร์กับวันพรธนะัจะอย่างนี้เป็นต้นนะ ผู้ซื่อสัตย์ที่นัตตะเอาพระบ่าวมุ่งไปยังสวรรค์จุมาราถอิจบบเมื่อบรรดาผู้ถูกสํารวมผู้สํารวมตนจากความชั่วต่อผู้อาญานของพวกเขาถูกนํามาสู่สวรรค์เป็นหมูๆ่ๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้มาถึงประตูสวรรค์ ประตูสวรรค์ทั้งหลายก็จะถูกเปิดต้อนร um, uh, ับไว้ก่อนแล้วเพราะมีตัววาวเข้าใจนะมีว้าวกับไม่มีว้าวมีความหมายต่างกันวะกอลาลาฮ์มขอเจนะตูฮและผู้ที่เฝ้าเฝ้าประตูสวรรค์เนี่ยพูดว่าไงรือเปล่าดูภาษาสิสัลามุนอาลัคุมพูดพระไหม กลุ่มแรกซลามนาเลายกุมภาษาที่สองเติมตุมนี่อันนี้ดีมากครับเติมระตุมพวกท่านได้ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์น่เติมประตุมคําเดียวอ่สะสลาโมนาเลายกุมความสันติจยู่บสศพแบ่พวกท่านภาษาที่สองเติบตุมคุณใช้ชีวิตแบบบริสุทธิ์อยู่บนดุนยาใบนี้ถูกด่า อาภัยดํมนาบีให่ไหมมีเงินบริจาคไม่เคยขี้เหนีย ว, วพี่น้องรู้ไหมเอาเงินเนี่ยภรรยาใชานะ้น่ะฝละบญมากกว่าสร้างสุราบนะนั่นบนหมายความว่าสุราใช้ไม่ต้องสร้างนะสร้างสุราด้วยดูแลคนจนด้วยแต่ให้ภรรยานั่นอ้าวรอมูฮาอะจอรรันฝุ่ละบนเยอะมากเ ล, ล <c oughs> <c oughs> ยรับทุเรศเหครับ ท่านใช้ชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์คุณเนี่ยอยู่บนรุยาเนี่ยเต้บปะตุมนี่อัลลอฮให้มารีคาชมเนี่ยนะก่อนจะเข้าสวรรค์นะเต้บปะตุมเรื่องที่สามฟาดฮูลูฮะคอรีดีจงเข้าไปอยู่เป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นคอรีดีอยู่ไปเลยไม่ต้องออกแล้วถึงอยากออกก็ไม่ให้ออก แกพอเข้าในรกนี่อยากออกทุกวันบนทุกวันอยากรอให้ไฟมันเบากว่า น, นี้หน่อยได้มหมฉันทนไม่ไหวแล้วอยากจะตายตายได้ไหมตายไหมไม่มีตายแล้วเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนี้ยังดุนยาก็าคือเรากับตะลปรดับหมดเลยกลับไม่เหมือนกันโอ้เมื่ออันมาถึงอายานี้มีหัดดิสอธิบายอย่างนี้คนที่จะเข้าสวรรค์นี่เป็นไงนนะ มีท um ั้งหมดี่ h a d นะชาิน an. ี้องอันอัลลอฮฺฮะดิบัยหมั่มมุสลิมพูดราว่าอัลลุมันยักรอยักรอบาบุญจันนะนบีเป็นคนแรกที่ไปเคาะประตูสวรรค์ใครนะนบีมุฮัมมัดเป็นคนแรกสบายใจมาสดงว่านบีมันเป็นอัลรอฟุลอัมบียะเป็นบเด็นกว่บรรดานบีทั้งหมดจะอยู่ในโลกเรื่องที่สองครับ อิม่ามขคารีกับอิม่ามมุสลิมได้รายงานบอกว่ายาตโคลุนยันน้มยิน uh um อุมมะตีรุมระตุนฮุมสัมเงอนะอัลฟันตัดีอูวูจูฮุมอิดอิตุลกามัดลาะตุลกัดรีอุหมะของนบีมูฮัมหมัดนบีเล่าเองนะจะได้เข้าสวรรค์เป็นหมู่หมูหมู่นึงก็ประมาณเจ็ดหมื่นคนเขาว่าเจ็ดเนี่ย มันไม่จะตายตัวหรอกเจ็บมาถึงเยอะอ่าเจดหมืนคนตอนจะเข้าเนี่ยใบหน้าของเขาเนี่ยเหมือนกับพอมัดดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหน้าสวยมนาปะหลาหน้าไม่มองข้าเลยครับล้ามดูไปเลยฮัดติที่สามมีสวาวบ้านนบีคนหนึ่งมาหาท่านนาบีบอกว่าโอ้ฮะลอโอ้นบีครับขอดูลอาให้ฉันเนี่ยอยู่กับ อยู่กับท่านนาบีอยู่กับชาวอันซอดอยู่อยู่ในสวรรค์นี่นะนบีก็ขอท่าขอทูลาต่ออัลลอฮ์ให้คุณอยู่กับชาวอันซอดอยู่กับชาวมุฮายรีนอยู่ในสวนสวรรค์และอีกคนนึ่งก็กมาเยาะเลาะให้ฉันไปอยู่ด้วยพวกคุณมาชา้าไปหน่อยแสดงว่าสวรรค์มีจริงไหมมีจริง เรอยู่กับใครอยู่กับนบีอยู่กับสุฮาบานนบีอัลลอ์นมีสาลสวานหมดเลยขที่สามนะครับพูดถึงเรื่องการอาบน้าน้มาข้ออิหมมมุสลิมท่านอิหมามท่านอุมัเป็นคอตอประดอษะรายงานบอกว่าท่านนบีสอนว่าคนหนึ่งคนใดเจ้าพวกท่านมุลาจะอาบน้าน้มานะให้อาบน้น้มาศแบบให้ทั่วถึงแล้วก็ ถูให้มันทั่วที่แขนที่หน้าเดีย๋ยวลวกๆนะแต่ที่เท้าเนี่ยให้ทั่วถึงให้ดีแล้วก็ใช้น้ำแบบประหยัดที่สุดนะพอเสร็จแล้วให้กล่าวดูอาว่างไงนะอัลชะดุอัลลาอิลละอิลละลอัลาดอันน์มุฮัมมัดอันอับดฮวะราะสูุมีดอิกต่อยไหมอัลลอฮ์อะไรนะใช่มอัลลอฮุมะจัอันนี้มินับตาวาบัวปีหมูจอั น, นี้นะถึงไม่ว่าก็ได้เอาสอประโยคนี้ เขาประตูสวรรค์จะถูกต้อนถูกถูกเปิดให้กับคนที่อาบน้ำน้ำมาดและหลังน้ำมาดหลังอาบน้ำน้ำมาด ก, ก็ขอดว่าทำประทานไปแล้วใช่ไหมละ่ะหัดดิสที่5นะกับอัดดิสที่4มิฟตาหลุลจันนะัคุนแจสวรรค์เนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ไหม شهد ะทูอัลลอฮิลลอฮิอิลละ ถ้ามีคำนี้ไปเราถือกุญแจสวรรค์แล้วเข้าง่า ย, ยไหมง่ายเราทำเป็นสบายใจไหมพีม่น้องท่านเราอยู่ในศาสนาอิสลามทีมวันนะรักษาศาสานานี้เผยแผ่ศาสานานี้ดูแลศาสานานี้อร่อยจะให้เกียรติการหกรายการตอนตอน้ต น, ตนรายการ น, นะครับอ่านตัวลงว่าเมื่อถึงประตูสวรรค์เสร็จแล้วนเนี่ยมาเลย์กา้า มงไงนะสามเรื่องใช่ไหมซาลามุนอะไยกลุ่มสบายใจไหมขอความสันติอันที่สองเตมบตุมคุณเป็นคนที่อะไรนะใช้ชีวิตแบบสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็อะไรนะคอลีดีนะาฟิอาเชิญเข้าไปอยู่ในสวรรค์สาเหตุบิโตอาติลละเพราะเชื่อฟังองัลลอฮ์คำว่าเตบตุมนี่นะท่านมุญาฮิสอธิบายว่า เพราะคุณนี่เชื่อฟังอัลลอฮ์สั่งอะไรทําหมดเลยอันที่สองเต็มประตุมบินลามาเรียสอแล้วคุณทําความดีตามที่สุนนัขนบีได้อธิบายไว้ได้สอนไว้ทํำตามนบีหมดเลยคุณพยายามนึกถึงสุนัขนบีเยอะๆนะครับเรื่องของมันม์มศอนแล้วถึงจะได้พูดชมว่าเต็มประตุมคุณทําความดีแล้วขณะที่คุณมีชีวิตอยู่บนโลกดุริยาคุณใช้ชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ตรรมาย่าที่สี่ครับ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدة وأورثنا الأرض ن ت ب َ و ُ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر المعاملين اللهم ل ذ الله ب م ت وقالوا الحمد لله الذي صدقنا و ع ال وا د وأورسنا الأرض نتباو و أ م ن الجنة حيث نشاء فنعم أ د ر ا ل ع ا م ل ي ن الله พระวจนิงใครับมยนี <Mormon> <ended> <Arthur différent> พูดถึงว่ามุมินเมื่อถูกเชิญนะปไปยืมปากประตูสวรรค์แล้วมาลย์าก็เชิญภาษ า, า, า, ามันสลามโนอะไรกลุมติประตูฟอนตุลุมอาฟอลีเดีนพูดภาษาเพราะมากมุมินผู้ที่ถูกเชิญจะกล่าวว่าไงรู้ไหมอัลฮัมดุลัยไหมไม่มีคำไหนที่จะดีกว่าคำ อัลฮัมดุลิลล่าภาษาเนี่เราใชา้ประจําใช่หรือไม่ใช่มันช่อิ่มค่าวอย่งเดียวอัลฮัมดุลิลล่าเจออะไรก็อัลฮัมดุลิลล่าเนี่ยอัลฮัมดุลิลล่าขอบคุณอัลลอฮ์ต้อพูดออกปากๆไ ป, ปบมางแล้วพวกเขาชาวสวรรค์กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลล่าบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์มาเจอสวรรค์แล้ว เหนื่อยบนดุนยาเหนื่อยกับนมาตายุทธเหนื่อยกับการสะบัดอดทนที่เขาด่ามาไม่ด่าตอบอลรอถูกรังแกถูกนุนถูกนี้ไม่คือที่จะท่อแท้ต่อิสลามถูกทดสอบไม่เคยบนอย่าบนเยอะนะเวลาอยู่ในนครมะกาเนี่ยกับมาดิน่าใน แต่พอจริงๆนครจะนั่งเวลาไปทำอมร้อเนี่ยเจอปัญหาเดือดร้อนนี่นะอยาบนนะถามว่าปัญหาไดเจอทุกคนมาทุกคนถ้าผมตอนตังเด็กนะั้นเราก็นั่งฟังคุอูอยากคุยใหญ่ไปทำหัดกลับมาเนะพราะมาก็เนี่ยมันมาบน่นเรื่องนี้นะ่ะพอไปเรียนหนังสื อ, อเจอบ่นไม่ได้ มีปัญหาเดือร้อนกันทุกคนมาแล้วบ่นกับอัลลอฮ์นอืมถ้าจะบ่นบ่นกับอัลลอ์น่อยอย่าบ่นกับคนมาต่อมาครับอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลอีสอดะปะนาวะดข้อที่หนึ่งข้อที่สองอัลลอีสอดะปะนาวะดาอัลลอฮฺผู้ทรงปฏิบัติตามสัญญาวาดะแปลว่าสัญญาเห็นไหม สัญญาตั้งแต่อยู่โลกดุนยาแล้วนะคนที่นามาซาดคนที่ถือสินอดจะได้ประตูสวรรค์เชื่อรอ ย, ยานวันนี้เจอแล้วอัลฮัมดุลิลละสัญญาที่อัลลอสัญญาไว้เป็นเรื่องจริงผู้ทรงปฏิบัติตามสัญญาเรื่องที่สามว่าเอารอซาณัลอัอและทรงให้พวกเรา รอซาหน้าแปลว่ารับมรดกเห็นยังครับอัลอลอฮฺแผ่นดินและได้ทรงให้เราเป็นผู้รับมรดกสืบครองแผ่นดินนี้ไม่ใช่ดุจยานี่นะแผ่นดินในสวรรค์นู่นเห็นไหมใช้แผ่นดินกันใช้ชื่อว่าแผ่นดินเหมือนกันแต่แผ่นดินนั้นคนือมาทำมาจากอะไรทำมาจากมิสสมุทเชียง อัลลอฮ์ดินหอมอัลลอลกุ๊ฟอัสซัมอัลลอฮฺอักบั ด, Allah, บดแล้วก็มีโดมในสวรรค์นนะมีโดมด้วยนะโดมมาจากลุลุมาจากไค่มุกนี่นะบีศอเลยครับต้นแผ่นดินในในสวรรค์นะนะกลิ่นหอมเหมือนสมพูเชียงเห็น ไ, ไหมก็ข อ, ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้แผ่นดินเป็นเราได้รับมรดาดบแผ่นดินนี้ การมรดกนั้กกนถ่ายส่วนใหได้มาจากพ่อแม่จัม่มากนี่อัลลอฮ์ใช้ภาษามรดกกับพ่อแม่ไหมกับเราเนี่ยได้จากอัลลอฮ์เลยนะฉันทนที่ทําความดีวันนี้มรดกรออยู่แล้วนะที่ไหนในสวรรค์นะสบายใจนายพื่น้องนะท่านนามายะจทิ้งรักษาสุนนนาบีจะทิ้งเพราะเราเป็นผู้ได้รับมรดกแผ่นดินในสวรรค์รออยู่แล้วครับ เราใช้ภาษาเอารอสนัลอารอ้รอบอเราจะมอบให้ท่านเนี่ยได้รับมรดกปกครองแผ่นดินในสวรรค์นะถสวรรค์นี่กว้างกขนาดไหนี่น้องนึกกว้างมากครับมีคนถามว่าทำไมสวรรค์กว้างเหลือเนกะินเอาไปเที่ยวงนะั <c oughs> ้นอาจจะไปไหนก็ไปสบายเพราะเรานี่ อันนั้นก็ไปไม่ได้ตอนอยู่บนนย้ญญายมาเขาฉลองคริสต์มาสก็ไปไม่ได้อันนั่นก็ไม่ได้อันนี่ก็ไม่ได้โอ้โหอึดอัดเอา้าตอนนี้สบายแล้วโอเพ่นอิสระจะไปไหนเชิญในสวรรค์ต่นีๆเป็นตัวเอาต่อมาครับนาตาบาวะมีนันจนะนาตาบาวะ่อทำให้เราได้พำนักอยู่ มีนัดยันนะในสวนสวรรค์ดีได้ไม่ดีมุสิม น, นี่ขอบคุณรอตลอดประลาใช่ไหมเห็นสวรรค์มาอัลล์ขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอฮ์ให้แผ่นดินนั่นในสวรรค์เป็นมรดกแล้วก็ให้เราอยู่ในสวนสวรรค์ให้สูนัขตามที่เราประสงค์ใช่ไหมเลือกจะอยู่ตรงไหนก็ได้สบายใจไหมฮัมดูลลา สวัสดีได้แน่อย่าท้อนะนิยะมะอาจรุลลาอามิลีนข้อสุดท้ายนี่มุมินนะขอบคุณอัลลอฮ์นิยะมะแปลว่าประเสริฐแท้ๆอาจรุลแปลว่ารางวัลลาอามิลีนผู้ทำงานนี่เป็นรางวัลของผู้ที่ทำงานอย่างดีที่สุด เพราะเป็นมุสลิมนี่แหละอยู่ในศาสนานี่แหละใช่มคับยึดยัดในศาสนานี้แหละมาน ม, มาทิมั ส, สติดอยู่เป็นประจําทำไม่กี่เรื่องเราลองอักแบบสัสอย่าทําชิริกเท่านั้นแหละอย่าทะเลาะ ก, กับภรรยากับลูกๆดูแลเอาใจใส่ญาติพี่น้องไปมาหาสูกันเยี่ยมเยียนกันอะไรกันนึกอ๋อที่เราทําเนี่ยเพราะรังวันเรามีนะ ผลบุญมันมีนะเดินตามสูน่า น, นาบีพยายามศึกษาเรียนนามาบเรียนหนังสือเนี่ยนบีให้ความสำคัญอันไหนมากกว่ากันคือมันดีทั้งคู่นั่นแหละสุญูากับเรียนศาสนาคุณตอบเลยนะนบีให้ความสำคัญกับการเรียน พ้ามีวันหนึ่งนบีเดินผ่านมัสยิดมีซาบะอยู่สองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกาลังนั่งสอนหนังสืออยู่และอีกกลุ่มกาลังนมาอยู่บางคนสูดดูบางคนยืนนบีถามซาบะสองกลุ่มนั้นเป็นคนดีทั้งคู่นะแต่กลุ่มไหนดีที่สุดดีกว่าซาบะฉันไม่รู้กลุ่มที่นั่งสอนหนังสือในกลุ่มนี้ดีใช่ไหม อิสลามดูถูกอิสลามโง่ใช่ไหมฮะเป็นผู้ก่อการร้ายที่ไหนอ่ะในกุณอาณาญาณไหนใครฆ่าคนไม่มีเลยอ่ะคือให้อภัยให้อภัยใช่ไหมอย่าเริ่มคนที่ด่าอิสลามเียนะอย่างที่วันที่นบีไปสอนอิสลามที่เมืองนั้นนะเมืองตออ น, ะนบีถูกสามเรื่องใช่ไหมผู้ที่ทรงมลายิกามหานาบิบนะใครอัลลอฮ ถาว่าแก้แทนไหมยังยังท่านพู้ที่ไม่พอใจก่อนนะครับอ๋อแต่น บ, บีให้อภัยคนนะวันนี้ทำงานเราที่เป็นมินที่ทำงานศาสนาแล้วมีคนมาด่าเรา่ถามว่าพอใจหรือเปล่าเราก็ไม่พอใจเราก็เก็บเป็นความรับไปอยู่ในใจถาว่าข้างบนพอใจไหมอ่ะก็ไม่พอใจเหมือนกันนะ่ะทึงจะเล่นงานเมื่อไหร่ ก็เล่นแบบนี้ไงอะไรเนี่ยที่หุนน่นนะบีนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นให้รถชนกันแล้วก็ไฟคลอกตายทัอสามสี่คน น, ะนี่ไงความเตือนใจสำหรับผู้สถัาต่อเาต่อมาอายะสุดท้ายสุดวาตรอลมาดาิกะตหฟีนามิฮาวลิลอาร ي ُ س َ ب ِّ ح ُ ن َ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ ب َ ي ْ ن َ ه ُ م بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَرَالْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ยุศบิ حون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ทำดีละจบสุนทรสมุดอายะสุดท้ายเนี่ยหน้าที่ของมาลาอิกะทาอะไร เรามีหน้าที่ไหมเรามีหน้าที่มาเลก้ามีหน้าที่ไหล เ, เราเล่าให้ฟัง่เล่าให้นบีฟังไปบอกอุม่านนบีด้วยหน้าที่คนละหน้าที่ไม่เหมือนกันนะมาเลก้าก็มีหน้าที่มาเลก้าเนี่ยเคยเบี้วหน้าที่ไหมเคยไหมไม่เคยแล้วเราเน่ะเบี้วเล่าว หน้าที่เราก็ต้องเรียนนะที่เราเราเป็นมนุษย์น่ะหรือยากบุดูลให้พักดีต่อทำยังไงเรียนนี่ต้องเรียนไปค่อยๆเรียนตายเหรอตอนนี้อายุห้าสิบรู้จะตายเมื่อไรก็เรียนอทิตละครั้งละครั้งเรียนไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติมรู้เ่าเป็นนักเรียนสมัครเลยฉันเป็นนักเรียนเรียนกุรอานจนกว่าจะตายเป็นนักเรียนยังเป็นแล้ว ถ้ารัตายขณะเรียนศาสนาใครจะว่าตายไรตาย ش ฮี د ทำไมไม่เอาอ่ะกเรียนทับซีดเองอาทิย์ละครั้งฉันสมัครก็อโลดเลย <c oughs> ฉันก็เป็นนักเรียนทับซีดคนอ่านของอโลอ น, นี่แหละเรียนจนกว่าจะตายถ้าตายขณะเป็นนักเรียนตายไรตาย شهيد อันดุลิลเอาหน้าที่ของมาลาิกาวตตรอ ถ้าหากท่านนาบีมูฮัมหมัด ส, สามารถเห็นได้อัลมาลาอิกะเห็นมาลาอิกะทำอะไรครับฮาฟีน่ะฮอบลมเราก็ฮอบลมเหมือนกันตัวว่าที่ไหนกบาบะเห็นไหมล้าก็เดินฮอบลมมาลาอิกะอยู่ข้างบนก็ฮอบลมเหมือนกันแต่คนละคนละที่ง มินฮาวลิลอารชีฮาวล่าเบวารบโรอ์อัลอารัชบาลังมาเลย์กาอยู่บนชั้ฟ้านี่นะห้อมลอมบลัอัลลอ์เาว้แีับนี่เล่าเป็นเรื่องจริงไม่เชื่อเรื่องขเองฉันเล่าให้ฟังแล้วหนึ่งันสร้อยกว่าปีมาแล้วนี่เล่าให้ฟังบลังอัลล์มีมมี อยู่สูงอยู่ตัวไหนไม่รู้แล้วก็มีมาลาัยก้าในห้อมล้อมอยู่เอาต่อมาครับยูซาบีหูนะบิฮัมดิรับบิฮิมพวกเขานี่นะสรรเสริญซ่อแสงแซ่ซ้องสะดุดีสรรเสริญอัลลอฮอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดเลยครับ ภาษาอาห ร, รับ سبحان ลลบิฮัมดีฮิ س ب ح ل ه อิ ล, ลแบบเราเลยเราเนี่ยลล ว, ว, ว, ว, ว, วันละวันละเก้ากร้อยเช้าเย็นของเราตรงเช้าเย็นตะกุรอ่านวันทที่ผ่านมาเท่าไร กุลลลาฮิชฝ่าาตุ جميع า له ุมุลคุสธรรมาทิติอัลลอฮุมะฟาะติรุสธรรมาทิติอัลลอฮฺอาลิมัลไกร์และ شهادة. ันตเถอะคุมุมาเบนัยบัดิกฟิมะกาヌฟิยะกะลาะห์นี่ต้องอ่านช้าเนอกจากเปนนมัดแล้วซิกรุลลอฮ์ชมอัลลอฮ Mitu ayo, Malaysia ni Allah yang fanga. Yusabbihauna bishamdi Robbihim, sazong saudi, dengan sazulun Taufur Om. Wangai lepa, Subhanallah, wabishamdi, Subhanallah. Ralaih. Kau, kita dah ada. และถูกตัดสินในระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมพราจาอธิบายอย่างนี้คนกาเฟ่กับคนมุสลิมเนี่ยพอไปในวันเกียร์มานี่นะคนกาเฟ่ก็ชมอัลลอฮ์ด้วยที่ชมอัลลอฮ์เนี่ยมาจาอีมานนะเพราะความยุติธรรมของอัลลอฮ์มุหมินสารเสริญอัลลอฮ เพราะความโปรดปานที่อลัลลอฮ์ให้บนโลกดุจยากับเขาคิดนึกนะกตเรียวนะมุหมินจะสนึกถึงเนี่ยมาที่อลัลลอฮ์ให้ตลอดเวลาคนกาเ ฟ, ฟม่มนจะสานึกใช่ากมแต่จะไปสานึกเพราะความยุทิธรรมที่อลัลลอฮ์ตัดสินดยควาาตรงเป๊ะเลยพาจะชมอลัลลอฮ์นานานูน่นผ่านกูโบมาแล้วพจะอายา ต่อมากับว่กีลัยฮ์มดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนและจะมีเสียงกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนบันดาค่าสารเสด็จทั้งหลายดินของอัลลอฮ์ตะหอัิบานแห่งซาบลจัตวาลทุมไป สารภาพว่าอลัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ตอนห น, หน้านู่นอัลลอฮ์ตัดเสร็จแล้วเข้านรกเข้าสวรรค์แล้วเพิ่งจะนึกอลัอลอลอฮ์อลัลลอฮ์เนี่อัลลอฮ์มีเหรอเนี่ยเสียใจไหมเสียใจฉะนั้นเราอยู่บนดวงดาวนี้ที่เล่าถึงหน้าที่ของมาริการ์เนี่ยทำอะไรบ้างถามว่าม า, าริการสนเสริญอัลลอฮ์เนี่ยเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับฉะนั้นมาริการ์ไม่มีรางวัล ส่วนเรานี่เนี่ยมีอารมณ์ดีมากจะทำไรเนี่ยก็ต้องออกแรงหมดเลยฉะนั้นการมาณามาเนี่ยยะมะที่มาสยิดนี่นะผลละบุญอยู่ตรงไหหรือเปล่าตอนออกจากบ้านอาลรถให้คะแนนตรงนั้นสองตอนเดินมาสามตอนเข้ามาสยิพร้อมกับบูอาสี่ตอนตั้งแถวมันสี่ห้ารายการ และไ้นมาเนี่ยเราก็ให้คะแนนอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะแ้่ที่คะแนนพิเศษของเราคนที่มาจะมาดกับจะมาออีกสี่รายการนะ่ะหนึ่งดูอาออกจากบ้านสองดูอาเดินมาเหนื่อยไหมเหนื่อยครับดูอาเข้ามาสยอะแล้วก็ตั้งแถวออะแล้วก็ต้องนึกให้แถวไม่เป็นตรงเว้ยอีมาอักเอ้เอเข้ามาเข้ามานี่ไงเนือยตรงนี้ไงออลล่นลให้รางวัลคนมานามา จะอามันจะมีจังวันตอดแทนการละหมาดที่บ้านน่ะที่บ้านใด น, นึงมัณมาทุาทาทราทลายี่ห้าถึงย่ส5บเจ็ดทำไมยี่7้ายเจ็อธิบายอย่างนี้กลางวันนะไปยี่ห้าถ้ากลางคืน27็อย่างซุโบดอย่างเงี้ย27่เจ็ดเต้องตื่นทีห้าหรือตีสี่นี่มันตืลนทำดูลิละตัวลว่าจบสุรอ้อนนะก่อนก่อนจะจบมีคนหนึ่งมาหาท่านนบี ฉันนี่คิดถึงนบีมาอยู่บ้านนี่ถ้าไม่เห็นหน้านาบีเนะี่ยคือน้อนไม่หลับต้องมาเห็นหน้าท่านตอนเวลาตนะายน่ยนบีอยู่สวรรค์ชั้นพิเศษแล้วเราอยู่สวรรค์ชั้นตามๆแล้วจะคิดถึงนบีทําไงจะไปหานาบีได้ไงเพราะคำถามนี่มาถามนาบียิบรี ล, ลงมาเลยมาบอกเอาคุณอา ล, ลงมาบอกว่า ไม่ยุติอัลลอฮ์รอซูลใครที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลฟาอุลัยกะมาลลินะอันนามัลลอฮฺอัลัยฮิมคนเหล่านั้นจะได้อยู่พร้อมกับผู้ที่อัลลอฮ์ได้ประทานความโปรดปารานให้แก่เขามีน้ำนบีอยู่พร้อมกับบรรดารนบับีวัสซนดีกีอยู่พร้อมกับบรรดาคนที่